วันนี้มีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวเกี่ยวกับเครื่องบินค่ะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้เนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องของที่นั่งผีค่ะคุณผู้ฟัง เหตุการณ์และก็เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณโชคโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่รุ่นพี่คุณโชค เ, เล่าให้ฟังเพราะว่าคุณโชคทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติแห่งหนึ่งขอย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่ผ่านมาค่ะวันนั้นมีเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้เกิดเรื่องราวเหนือธรรมชาติกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกัน เรื่องทั้งหมดมีอยู่นะคะว่าวันนั้นผู้ชายคนนั้นเนี่ยเดินทางกลับไปที่ประเทศอเมริกาเนื่องจากว่าก็ต้องกลับไปเรียนหนังสือต่อค่ะเที่ยวบินในวันนั้นเต็มแทบจะถุกที่นั่งคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะว่าชายคนดังกล่าวได้ที่นั่ง ริมทางเดินด้านฝั่งซ้ายโดยที่แถวนั้นเนี่ยจะมีที่นั่งสามตัวตัวริมสุดนั้นจะอยุดติด ก, กันกับหน้าต่างของเครื่องบินค่ะถัดมาก็เป็นตัวกลางและก็อีกตัวที่ติดกับทางเดินซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ต้องนั่งตรงนั้นหลังจากเครื่องบินพุ่งทยานออกจากรันวย่งของกรุงเทพมหาคนครนะคะผู้ชายคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองนี่โชคดีเหลือเกินเพราะว่าเท่าที่มองดูแล้วผู้โดยสารเต็มแทบจะทุกที่นั่งแต่ว่ามี าสามตัวนะคะคือเป็นเก้าอี้3ตัวเนี่ยที่ที่ที่เขานั่งอยู่เนี่ยมีเขาแค่คนเดียวที่นั่งอีกสองที่นี่คือว่างก็เลยรู้สึกว่าสะดวกหน่อยที่ไม่ต้องมีใครมานั่งเบียดอยู่ข้างๆหลังจากนั้นนะคะเครื่องบินก็ทําการบินได้ประมาณสัก5ชั่วโมงค่ะก็ต้องมีการลงจอดที่สนามบินของประเทศแห่งหนึ่งเพื่อที่จะทําการเติมน้ํามันหรือก็เป็นการพักเครื่องไปในตัวนั่นเอง ผู้โดยสารทั้งลำก็ลงจากเครื่องไปพักผ่อนที่สนามบินเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็ได้เวลาที่กำหนดผู้โดยสารทั้งหมดกลับขึ้นเครื่องอีกครั้งชายคนดังกล่าวเนี่ยกลับขึ้นมาที่เครื่องรอบนี้ค่ะก็ต้องรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเนื่องจากว่าการแวะพักที่สนามบินแห่งนี้เนี่ยมันมีผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งขึ้นมานั่งอยู่ข้างๆเขาด้วยผู้โดยสารคนดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายแก่ เป็นชายอเมริกันอายุน่าจะเกิน60ปีไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าชายไทยคนดังกล่าวเนี่ยนั่งที่ติดเก้าอี้กับริมทางเดินพอมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องเดินนำชายแก่คนดังกล่าวมานั่งที่เดียวกันกับชายไทยคนนั้นผู้โดยสารไทยเนี่ยก็เลยลุกขึ้นจากที่นั่งเพื่อเปิดทางให้กับผู้ชายคนดังกล่าวเดินเข้าไปนั่งในเก้าอี้อีก2ตัวที่เหลือติดกับริมหน้าต่างนะคะ ชายคนแก่คนอเมริกันนั้นเนี่ยก็เลือกที่จะนั่งตัวที่ติดหน้าต่างซึ่งระหว่างกลางก็ยังคงมีที่นั่งว่างอยู่อีกที่หนึ่งค่ะหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วบนเครื่องเนี่ยก็มุ่งหน้าออกจากสนามบินอีกครั้งหนึ่งตรงสู่อเมริกาโดยผู้โดยสารชาวไทยก็นำหูฟังมาสวมเพื่อเปิดฟังเพลงแต่ว่าในระหว่างนั้นค่ะคุณผู้ฟังเขาสังเกตได้นะคะว่าชายสูงวัยท่านนี้เนี่ยนั่งอยู่คนเดียวบางครั้งนะ ก็เหมือนกับมีการขยับปากพูดกับตัวเองคนเดียวซึ่งผู้โดยสารชายไทยคนนี้นี่จับใจความไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าตัวเองก็กำลังสวมห h ฟังอยู่นะคะก็จนกระทั่งถึงเวลาเสิร์ฟอาหารอีกครั้งซึ่งเวลาท้องถิ่นในขณะนั้นใกล้จะมืดค่ำแล้วนั่นก็คือฟ้าด้านนอกเนี่ยเริ่มมืดแล้ว พนักงานต้อนรับบนเครื่องก็เริ่มเดินทยอยเสิร์ฟอาหารไล่มาทีละแถวทีละแถวจนกระทั่งถึงแถวที่ผู้ชายไทยคนนี้เนี่ยนั่งอยู่ผู้โดยสารชาวไทยคนนี้ก็เริ่มปรับเก้าอี้ขึ้นมาเป็นการปรับมาในท่านั่งเตรียมพร้อมนะคะที่จานรับประทานอาหารแล้วก็เริ่มปลดถาดอาหารค่ะที่ติดอยู่กับเก้าอี้ด้านหน้าแต่แล้วก็เริ่มแปลกใจในอะไรบางอย่าง นั่นก็คือชายสูงอายุที่นั่งติดกับหน้าต่างน่นเนี่ยเริ่มปลดถาดอาหารออกมาจากเก้าอี้ด้านหน้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าชายสูงอายุคนนี้เนี่ยปลดถาดออกมาถึง2ตัว นั่นก็คือด้านหน้าของตัวเขาเองแล้วก็ด้านหน้าของเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่ระหว่างกลางของทั้งสองค่ะพอพนักงานมาเสิร์ฟอาหารผู้โดยสารชาวไทยก็ต้องงงกว่าเดิมเนื่องจากว่าเสิร์ฟอาหารทั้งสามที่นั่งโดยตรงกลางเนี่ยไม่มีคนนั่งนะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากละค่ะเพราะวานึกว่าชายสูงอายุคนดังกล่าวนี่อาจจะขอเพิ่มเป็น2ที่ ผู้โดยสารชายไทยคนนั้นเนี่ยก็รับประทานอาหารเสร็จก่อนชายสูงอายุก็เลยล้มตัวลงไปปรับเก้าอี้ในท่านอนเนื่องจากว่าบินมาหลายชั่วโมงแล้วก็เริ่มจะง่วงจนชายคนนั้นหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้ค่ะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำพอลืมตาตื่นขึ้นมาเครื่องบินทั้งลาตกอยู่ในความมืดเนื่องจากว่ามีการดับไฟให้ผู้โดยสารทั้งลาได้พักผ่อนนอนหลับ แสงสว่างเท่าที่มีก็มีอยู่แค่ตรงทางเดินซึ่ ง, ง, งก็เป็นหลอดไฟดวงเล็กๆกันนะคะเส้นยาวๆสว่างตลอดทางเดินไปสู่ห้องน้าแล้วก็ประตูฉุกเฉินเท่านั้นอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าผู้โดยสารชาวไทยคนนี้เนี่ยนั่งอยู่ติดกับริมทางเดินระหว่างที่เขาเองก็เริ่มรู้สึกตัวแต่ว่ายังไม่ได้ลุกขึ้นจากที่นั่งนะสายตาก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างตรงกลางทางเดินค่ะที่พื้นตรงกลางทางเดินนั้นเขาเห็นเงาคุณผู้ฟัง ลักษณะเป็นเงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่กลางทางเดินตรงพื้นเหมือนกับว่ามีใครสักคนนึงกำลังจะโผล่หัวแล้วก็เอามือขึ้นมาจากพื้นตรงกลางทางเดินของเครื่องบินที่อยู่ห่างออกไปจากเขาเพียงแค่สามสี่เมตรเท่านั้นค่ะชายคนนั้นตกใจมากทะลึ่งตัวขึ้นมาจากท่านอนเนี่ยลุกขึ้นมานั่งจ้องดูดีๆอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้กลับไม่เห็นอะไร ผู้โดยสารชาวไทยคนนั้นพยายามปลอบตัวเองว่าอาจจะมาจากการฝันหรือว่าตาฝาดก็ได้เพราะว่าเพิ่งจะตื่นนอนหันไปมองทางซ้ายมือของตัวเองชายสูงวัยชาวอเมริกันก็นอนหลับอยู่ข้างๆมองไปรอบตัวผู้โดยสารท่านอื่นส่วนใหญ่นี้ก็นอนหลับกันหมดแล้วนะคะก็จะมีแค่บางคนค่ะที่เปิดไฟอ่านหนังสือแค่สองสาคนเท่านั้น ผู้โดยสารชาวไทยก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นจากที่นั่งค่ะมุ่งตรงไปที่ห้องน้ำพอไปถึงห้องน้ำชายไทยคนนั้นก็เริ่มลงมือล้างหน้าเพื่อให้ตัวเองนี่หายง่วงแล้วก็เริ่มนั่งลงที่ชักโครกเพื่อทำธุระของตัวเองนี่แหละ ขอให้นึกภาพลักษณะห้องน้ําบนเครื่องบินเนะะี่ยคือประตูห้องน้ํานั้นเนี่ยจะไม่ใช่ประตูที่ใช้เปิดออกเป็นประตูบานพับที่ใช้ผลักเข้าไปด้านในซ้ายมือก็คืออ่างล้างหน้าถัดไปนิดเดียวคือชักโครกแล้วมีที่ว่างให้ขยับตัวได้นิดหน่อยเท่านั้นนะคะในระหว่างที่ผู้โดยสารชาวไทยคนนั้นเนี่ยกาลังนั่งทําธุระส่วนตัวก็เกิดเรื่องชวนขนหัวลุก ค, ค่ะจนไม่สามารถจะลืมเรื่องนี้ลงได้ในขณะที่นั่งอยู่บนชักโครกนั้นเนี่ยอยู่ดีๆ ก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งน่าจะมีอายุแล้วลักษณะก็คือเธอเป็นชาวต่างชาติมีผมสีบลอนแล้วก็น่าจะมีอายุแล้วเหมือนกันคือผมบางส่วนบนศีรษะจะเป็นสีเทาออกสีดอกเหลานิดนึงใบหน้ามีรอยเหี่ยวย่นอยู่บ้างสวมชุดยาวสีน้ําเงินเข้มเดินทะลุ ป, ประตูตรงห้องน้ําเข้ามาเนีคะโดยผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับว่าจะไม่เห็นชายไทยคนดังกล่าวเลย เธอคนนั้นหลังจากเดินทะลุประตูห้องน้ําเข้ามาแล้วเธอก็หันหน้าเข้าสู่กระจกในมือของเธอเนี่ยมันมีกระเป๋าเครื่องสําอางเล็กๆติดมาด้วยและเธอก็เริ่มแต่งหน้าโดยที่ถัดไปไม่ถึง1ฟุตผู้ชายคนนั้นเนี่ยยังคงนั่งอยู่บนโถชักโครกชายคนนั้นก็นั่งช็อกอยู่กับภาพเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นะคะคราวนี้มั่นใจแล้วล่ะค่ะว่าเขาไม่ได้ฝันเนื่องจากว่าเขาไม่กล้ามองหน้าผู้หญิงคนนั้นนานก็เลยก้มลงต่ํามองที่พื้น แต่ว่าการกระทำในครั้งนั้นทําให้ผู้ชายคนนี้ค่ะช็อกยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างได้อธิบายลักษณะของห้องน้ำไปแล้วว่าแคบนิดเดียวพอผู้ชายคนนั้นก้มลงมองที่พื้นก็มองเห็นได้ชัดเจนทีเดียวค่าว่าผู้หญิงสูงอายุคนดังกล่าวเท้าของเธอไม่ได้อยู่ติดกับพื้นเครื่องบินนั่นคือเธอลอยตัวอยู่เหนือพื้นประมาณ1 0ถึงเซนติเมตรได้ ชายคนนั้นกล่าวก็เลยตัดสินใจหลับตาลงเพราะว่าไม่กล้าที่จะลุกออกมาในขณะนั้นนะคะเนื่องจากว่าผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนบังประตูอยู่ค่ะจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้ชายคนนั้นตัดสินใจลืมตาขึ้นมามองแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรแล้วก็เลยรีบลุกขึ้นแต่งตัวแล้วก็ออกไปจากห้องน้ําทันทีข้างนอกทางเดินนั้นยังคงมืดอยู่เขาก็รีบเดินกลับไปที่นั่งของตัวเองค่ะ แต่ว่าในขณะที่กําลังจะถึงที่นั่งของตัวเองเพียงแค่ไม่กี่ก้าวสายตาก็มองไปเห็นเก้าอี้ตัวกลางที่ติดอยู่กับเก้าอี้ของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังว่างอยู่แต่ว่าในขณะนี้มันมีคนนั่งแล้วคนที่นั่งอยู่คือผู้หญิงสูงอายุที่เห็นอยู่ในห้องน้ําเมื่อครู่นี่เองผู้โดยสารชายไทยคนนั้นตกใจสุดขดีดรีบวิ่งไปหาพนักงานต้อนรับแล้วก็ร้องเอะอะโวยวายค่ะเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังจนพนักงานต้อนรับอาวุโสต้องเดินมาคุยเองค่ะ พอชายไทยคนนั้นได้สติพนักงานต้อนรับอาวุโสแล้วก็อีก 2-3 าคนก็ชวนกันเดินกลับไปที่นั่งของชายคนนั้นแต่ว่าครั้งนี้มีเพียงแค่ชายแก่สูงอายุนะคะที่ยังคงนั่งอยู่ริมหน้าต่างเพียงลําพังคนเดียวเท่านั้นผู้โดยสารไทยคนนี้เนี่ยก็ขวัญเสียไม่กล้าเดินกลับไปที่นั่งของตัวเองค่ะมีแต่เพียงพนักงานต้อนรับอาวุโสเท่านั้นที่เข้าไปปลุกชายแก่คนนั้นแล้วก็คุยกันอีกสักพักหนึ่งชายแก่คนนั้นก็เริ่มร้องไห้ออกมานะคะ ในขณะนั้นเหลืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะก็จะถึงที่หมายแล้วแต่ว่าผู้โดยสารชายไทยก็ยืนยันบอกว่าจะขอเปลี่ยนที่นั่งไม่ขอกลับไปนั่งที่เดิมเป็นอันขาดพนัก ง, งานต้อนรับอาวุโสก็เลยเปลี่ยนที่นั่งให้เขาเนี่ยไปนั่งตรงชั้นบิสซิเนตแทนนะคะ ทีนี้พอเครื่องบินเนี่ยถึงที่หมายเรียบร้อยพนักงานต้อนรับท่านอื่นก็บอกนะคะให้ผู้โดยสารชาวไทยคนนั้นรอสักครู่แล้วพนักงานต้อนรับระดับอาวุโสแล้วก็กัปตันก็เดินเข้ามาเล่าเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็กล่าวคําขอโทษกับผู้ชายไทยคนนั้นเรื่องทั้งหมดมีอยู่นะคะว่าในตอนที่เครื่องเนี่ยแวะมาพักที่สนามบินแห่งหนึ่งนั้นได้มีการจองตั๋วที่นั่งสองที่มาก่อนหน้านั้นแล้วเพื่อจะมุ่งหน้าเดินทางไปอเมริกา เป็นชายแก่ท่านหนึ่งแล้วก็ภรรยาของเขาแต่เนื่องจากว่าภรรยาของเขานี่เป็นโรคหัวใจแล้วก็เสียชีวิตกระทันหันและต้องการที่จะนําศพกลับบ้านทั้งคู่ก็ได้อาศัยเครื่องบินลํานี้มาด้วยกันค่ะเพียงแต่ว่าชายแก่ที่นั่งอยู่ใกล้กับเขาส่วนผู้หญิงคนนั้นเป็นศพโหลดมาใต้เครื่องบินเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังระวังตัวด้วยนะคะสำหรับท่านที่เดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆเนี่ยบางครั้ง ที่นั่งว่างๆข้างๆท่านหรือว่าในห้องน้ําอาจจะมีผู้โดยสารร่วมทางอยู่กับท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวก็เป็นได้อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่บีจาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของสาวประเภทสองหรือที่ชาวบ้านเรียกกันบอกว่ากระเทยนี่แหละนะคะเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเขาเล่าเองเลยเขาบอกว่าอยากจะเล่าเรื่องลี้ลับให้อ่านให้ฟังก็คือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ภูเก็ต เมื่อตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วล่ะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แปลงเพศก็ไปเรียนพร้อมกันกับเพื่อนอีกสองคนน่ย น, นะแต่ว่าอยู่กันคนละคณ ะ, ะแล้วก็เพื่อนที่ไปด้วยกัน2คนเนี่ก็เป็นผู้ชายตอนนั้นก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็เลยไม่อยากอยู่ห้องคนเดียวกับเพื่อนสองคนนะคะแต่พอตั้งใจจะอยู่คนเดียวหอพักมันก็ดันเต็มซะงั้งงนค่ะเพราะว่าคนมาอยู่กันเยอะก็เลยไปได้ห้องอยู่ห้องหนึ่งแถวแถวประปาอยู่ติดกันกับป่าเลยนะ ตอนนั้นเองนะีคะก็ยังไม่ได้สวยอะไรก็เลยไม่ได้กลัวมากรูปลักษ์เราเนี่ยใครเห็นก็รู้ว่าเป็นกระเทยมันเป็นห้องพักที่เป็นห้องแถวติดติดกันค่ะแล้วห้องของเรานี่อยู่ท้ายสุดติดกับป่าที่รกร้างจริงๆสภาพมันไม่ค่อยน่าอยู่หรอกคุณผู้ฟังเพราะว่าค่อนข้างเปลียวในตอนกลางคืนแล้วก็รู้สึกว่าไอ้2ห้องก่อนที่จะถึงห้องเราเนี่ยมันจะไม่มีใครอยู่เลยเหมือนกับถูกลอกทิ้งเอาไว้เฉยๆนะคะก็เห็นว่าราคาค่าเช่าห้องเนี่ย มันถูกดีแล้วก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากมายนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะตกลงเช่าขนของเข้าไปอยู่ในวันแรกตกค่ำนี่เหนื่อยเลยคุณผู้ฟังเพื่อนที่มาช่วยมันก็กลับไปก็พูดกันไปบอกเฮ้ยอยู่ได้แน่นะกระเทยคนเดียวเปลี่ยวชิบหายเลยแถวนี้เจ้าของเรื่องก็เลยตอบเพื่อนไปบอกเออกูอยู่ได้สบายมากไม่เป็นไรหรอกเอองั้นพวกกูกลับก่อนละกันก่อนนอนก็ไหว้พระไหว้เจ้าที่เจ้าทางมั่งนะ พอเพื่อนกลับไปแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเงียบจังเลยแลดูวังเวงก็เลยคิดว่าไม่ได้ละก็เลยกลับความกลบความเงียบเนี่ยด้วยเสียงเพลงค่ะแล้วก็เต้นแรงเต้นกาบริหารหุ่นไปด้วยก็เปิดเพลงดังใช้ได้ค่ะพอเต้นเต้นอยู่เสียงดังปั้งดังมาจากห้องข้างๆที่เห็นว่าปิดตายอยู่นะก็คิดว่าเอสงสัยเจ้าของห้องอาจจะกลับมาแล้วหรือเปล่าก็เลยเบาเสียงเพลงให้ จนเริ่มง่วงค่ะก็เลยปิดไฟนอนหลับตอนนั้นลืมไปเลยเรื่องไหว้พระหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วเตียงนอนของเจ้าของเรื่องเนี่ยมันไปติดกันกันกบผนังห้องที่เชื่อมกันกันกนกบห้องข้างๆนะคะพอนอนนอนอยู่หูแนบผนังใช่ไหมก็เสียงดังครืดครืดเหมือนใครลากอะไรสักอย่างหรือเหมือนกับเอาอะไรมาขูดผนังห้องอีกด้านหนึ่งนะคะจนกระทั่งเจ้าของเรื่องนี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็หงุดหงิดอยู่นะก็เลยกลิ้งค่ะเอาหูหนี ออกมานอนอีกฝั่งหนึ่งของเตียงก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันตีเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเหลือไปเห็นตรงหน้าต่างอีกด้านของห้องเนี่ยด้านที่ติดกับป่า น, นั่นแหละเพราะว่าเป็นห้องสุดท้ายไงก็เลยมีหน้าต่างติดบานเกล็ดหนึ่งบานก็เปิดระบายอากาศไว้มันมีตาข่ายลวดหรือว่ามุ้งลวดนี่แหละนะคะก็เฮ้ยแบบเฮ้ยเยแม่อะไรงนี้อ่าไปเข้าใจกันเอาเองก็แล้วกันนอนนิ่งๆค่ะ ในความมืดเนาะแบบเกรงตัวไปหมดเลยเพราะว่าหน้าใครก็ไม่รู้มันแนบอยู่กับบานเกล็ดคุณผู้ฟงังลองคิดภาพแบบมันมืดอะแต่ทำไมเห็นหน้าคนมันเหมือนกับปิดไฟไว้กับหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นหน้าคนขาวๆเหมือนกับทาแป้งเลยนะคือมองมาที่ตัวเจ้าของเรื่องเจ้าของเรื่องก็จ้องกลับค่ะแต่ไม่ขยับตัวแล้วก็ค่อยๆมุดพ่อห่มไปเลยทีนี้ก็เลยนอนต่อได้จนถึงเช้า ก็ไปเรียนเดินผ่านห้องข้างๆก็ประตูล็อกอยู่นะก็คิดในใจสงสัยนะเอเจ้าของห้องเขาทำงานอะไรนะออกเช้าดีจังแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเพราะว่าทั้งวันนี้ต้องตั้งใจเรียนกับมหาวิทยาลัยในวันแรกแล้วก็ไปต่อกับเพื่อนจนสีทุ่มค่ะเพื่อนก็พากันขับรถมาส่งที่หน้าปากทางเข้า แอร์เราก็ขับรถเราเข้าไปคนเดียวพอจอดรถหน้าห้องก็เห็นว่าห้องเงาง้างสองห้องก่อนถึงห้องเราเนี่ยมันโดนล็อกเหมือนเดิมก็าอาบน้ําแล้วก็เข้านอนเลยพักเดียวพอเคลิ้มๆ เ, เอาอีกล่ะค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องเอาหูแนบเลยทีนี้ได้ยินชัดเจนเลยว่ามันดังมาจากห้องเงา ง, าง้เป็นเสียงดังครืดครืแบบเนี้ยเสียงเหมือนใครลากขาเก้าอี้นะะีค่ะทีนี้หงุดหงิดเลยมึงลากไม่หยุดใช่ไหมก็ไม่อยากมีปัญหาไงเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ใช่ไหม แต่ที่นี่เนี่ยคือมันดังแบบนี้ทุกคืนค่ะจนคืนหนึ่งทนไม่ได้ละก็เลยเปิดประตูห้องออกไปกลางดึกกะว่าจะไปเฉ่งไอห้องข้างๆซะหน่อยนึงแต่ก็นะเอา้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คิดเอาไว้นี่นะประตูห้องมันล็อกจากด้านนอกค่ะ ท, ทั้งทางที่ได้ยินเสียงลากครืดครืดอยู่เมื่อกี้นี่เองเอาแล้วไงทีนี้เอาไงล่ะก็เลยเคาะประตูห้องแล้วก็ตะโกนถามไปเลยบอกว่ามีใครอยู่ไหมคะในห้องนี้เสียงเงียบค่ะไม่มีอะไรตอบกลับมา ใครอยู่ในห้องอย่าลากของได้ไหมคะเรานอนไม่หลับค่ะเงียบค่ะทุกอย่างยังคงเงียบก็เลยกลับไปนอนต่อพอเคลิบเคลิบเอาอีกแล้วครืดครืดอีกแล้วปรีแตกเลยค่ะทีนี้ออกไปได้ก็โชว์บทกระเทยโหดเลยโดดเอาเท้าถีบ ป, ประตูพร้อมกับสะบัคําหยาบนะคะบอกออกไปบอกลากค่ะพ่อห่าแม่มึงเหรอตามใจจะเป็นผีหรือคนและแน่จริงเดินทะลุ ป, ประตูออกมาตบกับกูไหมผีเฮียลั่นเลยค่ะ ลัน asha asha вами, to the ่นเช้าเช้าไปจนถึงจนห้องแรกที่มีคนอยู่เนี่ยเขาคงจะตกใจพากันเปิดประตูออกมาตะโกนถามบอกอ้าวอ้ายี่สาวเป็นไรแล้วนั่นน่ะก็มันลากของกับพื้นเนี่ยพี่ครืดนคลื่ทั้งคืนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วพี่ใครมันอยู่ในห้องนี้เนี่ยฮะอะไรนะเขาก็ทําท่าตกใจกันหมดแล้วคนหนึ่งค่ะเขาก็มาลากเราไปหน้าห้องเขาแล้วก็บอกว่าไอ้น้อง ห้องสองห้องนั้นอนะมันไม่มีใครอยู่มาตั้งนานและไม่มีใครอยู่ได้เลยเพราะว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึง่งกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาเช่าห้องนั้นติดกันทั้งคู่ไม่รู้จักกันนะแต่ว่าต่อมาเนี่ยคนโสดกับคนโสดเจอหน้ากันทุกวันเข้าก็เลยได้รักกันจนได้เป็นผัวเป็นเมียกันจนผู้หญิงคนที่เช่าห้องที่อยู่ติดห้องเราเนี่ยตั้งท้องพอท้องผู้ชายมันก็หนีไปมีเมียใหม่ทิ้งผู้หญิงคนนั้นไว้คนเดียวเธอก็เลยเอาเก้าอี้มาผูกคอตายที่กลางห้องกับคือกว่าจะมีคนไปเจอ ก็เพราะว่ามีกลิ่นเน่าเหม็นลอยออกมาสรุปผูกคอตายเรียบร้อยตายทั้งกลมด้วยเจ้าของก็ปิดข่าวพอตอนหลังเนี่ยมีคนมาเช่าห้องทั้ง3ามห้องนั้นเนี่ยรวมถึงห้องของเจ้าของเรื่องนี้ด้วยอยู่กันไม่ได้สักคนค่ะยิ่งคนที่เช่าห้องที่ผู้หญิงผูกคอตายนะโดนหนักกว่าพวกห้องข้างๆด้วยเพราะว่าตกดึกอีผีคนนี้เนี่ยมันมาผูกคอห้อยตรงเตงให้คนเช่าร้องกรีดกรีดแล้วก็วิ่งหนีกลางดึกก็มีมาแล้วเอาพระมาเชิญเอามาไล่ก็ไม่ไป แอ้เราก็กลัวแต่ก็ง่วงมากแล้วก็ดึกขนาดนั้นเราจะไปนอนที่ไหนได้ก็เลยเดินกลับห้องพอเดินผ่านมาหน้าห้องก็ยันโครมไปอีกทีนึงต่างคนต่างอยู่ดิเย yeah, แม่ผีอยากโดนกระเทยเตะไหมอ่าก็ด่าไปค่ะแล้วก็เดินกลับเข้าไปนอนเลยหลังจากนั้นก็โดนหลอกน้อยลงนะ เวลามีเสียงดังก็ตวาดใส่ด่ามันด้วยแต่ว่าตอนหลังก็ย้ายไปอยู่หอเพราะว่าทนไม่ไหวมันจะไปทนไหวได้ยังไงคุณผู้ฟังก็เล่นโผล่หัวออกมาจากผนังห้องหลอกบอยขนาดนั้นแรกแรกก็กลัวปนตกใจค่ะว่าไอ้หัวคนมันโผล่มาจากผนังห้องได้ยังไงหลังหลังมาก็โดดถอยมาตั้งหลักแล้วกม็มึงจะเอากับกูใช่ไหมมึงรู้จักส้นตีนกระเทยไทยน้อยไปแล้วก็พุ่งเข้าหาเวี่ยงบาทาตั้งใจจะเตะผีให้หัวกระเด็นไปค่ะแต่ก็วืดทุกครั้ง เพราะว่าเวลาเตะเนี่ยนางหดหัวกลับแล้วก็ทำแบบนี้บ่อยมากถ้าไม่มีเสียงอ่าลากอะไรเนี่ยก็จะยืดแต่หัวมาล่ะบางคืนนะก็เอากลิ่นเหม็นมาแกล้งก็เลยย้ายไปอยู่หออื่นไม่ได้กลัวนะแต่ว่าดําคานมันไม่ได้นอนทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าไม่ได้กลับไปดูนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ผีไทยเจอกันกับกระเทยไทยค่ะความมันก็เลยบังเกิดขึ้นนะ ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเจ้าของเรื่องนี้ใจเด็ดพอสมควรล้วค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่ากระเทยสายโหดก็ว่าได้นะคะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะอาจจะมีคําพูดคําจาค่ะที่ดูไม่สุภาพเพื่อความสมจริงนะคะกับเจ้าของเรื่องที่เขาเล่ามานะคะจะได้แบบว่าแลดูมัน เข้าไปในอารมณ์ของคนฟังได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะขอบคุณที่มาของเรื่องน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ค่ะจากกระทู้เด็ดพันทิปนะคะแล้วก็จากาเว็บไซต์สยองช h o c k c o m ค่ะที่บีขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ หมดเวลาสำหรับคลิปนี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแลบฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยพร้อมกับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องพระเจอผีไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตคุณผู้ฟังจะได้ไม่ต้องพลาดทุกคลิปที่เรานำเสนอค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ